วันนี้ญาติโยมก็มาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมหลายประการด้วยกันคือหนึ่งีจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเราได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น 3. จะทำให้กำจัดความรังเลยสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ส่จะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องและห้าทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คืออันที่สอง ของการฟังเทศฟังธรรมผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆนี่จะไม่สงสัยเลยว่าเกิดมาได้อย่างไรหรือเกิดมาทำไมแต่ถ้ายังยังสงสัยอยู่ว่าเกิดมาได้อย่างไรเกิดมาทาไมก็แสดงว่ายังไม่ได้ฟังธรรมที่ถูกต้องคืออาจจะฟังธรรมแต่อาจจะไม่ได้ฟัง ทำที่ทาให้เรากำจัดความสงสัยในข้อคำถามสองข้อนี้ได้แต่ถ้ามาฟังที่นี่วันนี้ก็จะได้รับคำตอบว่าเกิดมาได้อย่างไรแล้วเกิดมาทำไมพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้คำตอบ สรงคนพบคำตอบของคำถามสองข้อนี้ว่าสัตว์โลกอย่างพวกเรานี่นอกจากพวกเราแล้วสัตว์โลกชนิดอื่นก็ก็ยังมีอยู่นอกจากมนุษย์ก็ยังมีเดราชาลเราเห็นเราสามารถเห็นเดราชาลเห็นมนุษย์ได้เป็นสัตว์โลกสองชนิดแต่ยังมีสัตว์โลกอีกหลายชนิดที่เรา มองไม่เห็นพวกเทวดานี่ก็เป็นสัตว์โลกพวกอินพวกพรมเนี่ยก็เป็นสัตว์โลกพวกเปรตพวกอสุรกายพวกที่ไปเกิดในนรกนี่ยพวกนี้ก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันบรรดาสัตว์โลกเหล่านี้มาเกิดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบต้นเหตุ ของการมาเกิดต้นเหตุของการมาเกิดก็คือการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากร่ำอยากรวยเรียกว่าภาวะตัณหาอยากสวยอยากงามอยากหล่อเรียกว่าภาวะตัณหา วิภวะันหะก็คืออยากไม่แก่อยากไม่มีหน้าตาอัปลักษณ์อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายอันนี้เรียกวิาวภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากสามประการนี้ทาให้สัตว์โลกมาเกิดกันและการมาเกิดสูงสูงต่ำต่ำ บางทีก็ได้เป็นมนุษย์บางทีก็ได้เป็นเทวดาบางทีก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีก็เป็นสัตว์นรกเป็นบางทีก็เป็นเปรตบางทีก็เป็นพรหมบางทีก็เป็นพระอริยเจ้าบางทีก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นเพราะบุญและบาปที่ทำเอาไว้ถ้าทำบาปไว้เวลา ตายไปก็ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอนสุรกายไปตกนรกนี่คือที่ไปเกิดของผู้ที่ทำบาปและผู้ที่ยังมีความอยากทั้ง3ามประการอยู่คือเมกามตัญหามีภาวะตัญหามีวิภาวะตัญหาก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้าค่าสัตว์นักทรัพย์ พูดผิดประเวณีพูดปดเดืเอมสายาเมาทำบาปเหล่านี้ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างแล้วแต่ว่าทำบาปด้วยเหตุผลอันใดถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปเช่นพวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง เรียกว่าคิดว่าไม่บาปเพราะว่าต้องเลี้ยงชีพของตอนเองก็ไปจับปลามากินไปยิงนกไปทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพตรงนี้ก็ตายไปก็ไปเป็นเลระฉานส่วนพวกที่ทำบาปเพราะความโลภอยากรวยอยากมีเงินทองมากๆอยากมีข้าวของมากๆ ก็ทำบาปเพราะทำบาปมันง่ายกว่ามันได้ง่ายกว่าการไม่ทำบาปเมื่อเช้านี้แม่มีแม่ค้าก็ยังมาพูดเลยว่าถ้าขายของลิขสิทธิ์มันก็ขายยากถ้าขายของไม่มีลิขสิทธิ์นี่มันก็ขายง่ายกว่าแต่มันก็บาปมันก็ผิดกฎหมายเพราะว่าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนี่ก็ ถ้าทำาพอพอพราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอก็เป็นไปเป็นเดรัจฉานถ้าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ทำพอพอหางเปล่หาหอมคอคือพออยู่ได้ก็พอแต่ถ้าทำด้วยความโลภนอกจากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วยังอยากจะเลิศ อ, อยากจะรวยจากกา ร, ร, รทาอาชีพที่เป็นบาปนี่ก็ไปเป็นไปเป็นเปรต หรือถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวมดจะมากัดกมาอกลั ว, มลวมแมลงจะเข้าบ้านก็ข่ามันนี่เขไปเปน็นอสูรลกายนำบาปด้วยความกลัวแล้วก็ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้นใครเขาทำร้ายจิตใจเราทำให้เราเสียหายเดือดร้อนก็อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ก็ไปทำบาปเป็นการแก้แค้นอันนี้ก็จะไปนรกนี่คือการไปเกิดของผู้ที่กระทำบาปถ้าไม่ได้กระทำบาปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้เลยเพราะไม่มีบาปที่จะต้องไปใช้ นอกจากไม่ได้ทําบาปแล้วยังได้ทําบุญด้วยพอมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปทําบุญเห็นคนอื่นเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะช่วยเหลือก็แบ่งเงินแบ่งทองให้แก่ผู้อื่นไปไปทําบุญพวกนี้ก็ตายไปก็ไปเป็นเทวดาถ้าพวกที่นอกจากได้ทําบุญแล้วมีโอกาส ได้ไปเจอคนที่สอนวิธีหาความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าหัดนั่งสมาธิได้จิตสงบมีความสุขจากการนั่งสมาธิตายไปก็ไปเป็นพรหมไปสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์นี้มีสองระดับระดับเทพระดับพรหมระดับเทพนี้ยังเสบรูปเสียงกลิ่นลดอยู่เสพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพ สำหรับผอมนี้เขาเสพความสงบเขาไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสเขาสามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสเนี่พวกนี้ก็เป็นสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพมีความสุขมากกว่าแล้วถ้าไปเกิดตาแปลมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเจอพระพุทธเจ้า จะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าการมาเกิดนี้เกิดจากการมีความอยากสามประการคือกามาตัะหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากหาความสุขทางร่างกายอยากร่วมลเนรร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้กับแฟนหรือไม่กับแฟนอันนี้เป็นกามาตัะหา ความอยากในกามกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกามาคุณห้าแล้วก็ยังอยากรวยอยากร่ำอยากรวยอยากเจริญในลาบยศสรรเสริญอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยืนยออันนี้แล้วก็อยากไม่ให้จนอยากไม่ให้ตกต่ำ อยากไม่ให้ใครเข้ามาก่อลหานิมทาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย น, นี่ก็เป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพระพุทธเจ้าบอกความอยากสามประการนี้แหละที่ทำให้สัตว์โลกต้องมาเกิดกันเกิดสูงเกิดตำ่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปที่ทำไว้ถ้าทำบุญก็ไปเกิดสูงสูงสุดก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมเป็นพรห ม, เ ป, รมเป็นเทวดา ถ้าไม่ได้ทําบาปแต่ไม่ได้ทําบุญก็ไปเป็นมนุษย์ถ้าทําบาปไม่ได้ทําบุญก็ไปอบายนี่ที่มาเกิดกันถ้าสามารถถ้ารู้ความจริงว่าการมาเกิดเกิดจากความอยากสาประการนี้ถ้าหยุดความอยากได้สาประการนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดก็จะไป เกิดเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์ตามลําดับพระโสดาบันก็หยุดความอยากได้บางส่วนหยุดได้ร้อยละร้อยละยี่สิบห้าพระสกิดาคามีก็หยุดความอยากได้ร้อยละห้าสิบพระอนาคามีก็หยุดได้ร้อยละเจ็ดสิบห้าพระอรหันต์ก็หยุดความอยากได้หมดได้ร้อยเป ตัดความอยากได้หมดเลยก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าไม่มีความอยากดังนั้นการมาเกิดจึงมาเกิดได้เพราะความอยากทั้งสามประการนี้แล้วเมื่อมาเกิดแล้วควรจะทำยังไงกับชีวิตก็ควรที่จะมาหยุดความอยากกันเพื่อจะได้หยุดการเกิดกัน เพราะการเกิดมันเป็นทุกข์เพราะมาเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกข์กับการดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพรากจากของที่เรารักจากคนที่เรารักทุกข์กับการที่จะต้องมาเจอของที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบ หรือเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบหรือคนที่เราไม่ชอบนี่คือความทุกข์ถ้ามีการเกิดก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายการประสบการพัดภาคจากก า, การประสบกับบุคคลกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบดังนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่มาเกิดเพราะทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้ามาเกิดไม่ว่าจะเกิดในระดับไหนก็ยังจะต้องมีวันตายอยู่มีการไม่เกิดเท่านั้นถึงจะไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายงั้นถ้าใครฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆความสงสัยว่ามาเกิดได้อย่างไรนี้ก็จะไม่มีเกิดมาแล้วเกิดมาทาไมก็จะไม่มีเกิดมาเพื่อหยุดการเกิด และการจะหยุดการเกิดได้นั้นต้องทำอย่างไรพระพุทธจาก็บอกว่าก็ต้องทาบุญลบาปแล้วก็ชาระใจให้สะอาดใจเราเป็นเหมือนเสื้อผ้าตอนนี้มันสกปรปกเสื้อผ้าเราสกปรปกเราทำอย่างไรเราก็ เ, าเข้าเครื่องอซักใช่ไหมเอาน้ำใส่น้ำเข้าไปใส่แป๊บเข้าไปขยี้มันเอาแปรงมาขัดมัน ส่วนไหนที่มันหลุดยากก็เอาแปรงมาขัดมันเอาผงซับฟอกชนิดกำลังพิเศษมาใส่เดี๋ยวคราบสกรปรกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าก็จะหมดไปใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่มีคราบของความสกรปรกก็คือความอยากสามประการนี้กามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาที่ทำให้ ใจของเราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราชาละกำจัดตัณหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับเสื้อผ้าที่สปกปรกที่เราซักซักแล้วเสื้อผ้าที่สปกปรกเมื่อเราได้เอาไปซักแล้วมันก็จะสะอาดเพราะคราบสปกปรกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าก็จะ หายไปหมดจันใดใจของเราเมื่อสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีการมาเกิดอีกต่อไปถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครให้คำตอบเหล่านี้กับเราเราก็จะหลงไปกับการหาความสุขทางร่างกายกัน หาความสุขตามความอยากกันอยากดูอะไรก็ดูกันอยากฟังอะไรก็ฟังกันอยากดื่มอยากรับประทานอะไรก็ดื่มกันอยากมีแฟนก็มีกันน่แล้วเราก็ได้ความสุขเล็กๆน้อยๆจากการที่เราได้ทำตามความอยากกันแล้วก็ต้องมาทุกข์เวลาที่เราไม่สามารถทำตามความอยากได้เวลาที่เราสูญเสีย สิ่งที่เรารักไปตออ น, นั้นความสุขก็หายไปความทุกข์ก็มาแทนที่แล้วเวลาเราตายไปเราก็ยังอยากหาความสุขแบบนี้อยู่เราก็จะกลับมามีร่างกายใหม่มาเกิดใหม่ก่อนจะมาเกิดใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนเพราะเวลาที่เราทำตามความอยากกันนี้เรามักจะเผลอไปทำตามไปทำบาปกันเพราะมันง่าย เวลาอยากได้อะไรง่า ย, ายๆเร็วๆมากๆเนี่ยทาบาปมันมันแน่นอนกว่าแน่นอนกับการไม่ทําบาปขายของลิขสิทธิ์กับขายของไม่ไม่ของของไม่มีลิขสิทธิ์ขายของที่มันปลอมนี่มันขายง่ายราคามันถูกกว่าขายของจริงของแท้ราคามันแพงขายยาก คนจึงทำบาปกันเพื่อจะได้หาเงินเพื่อจะได้เอาเงินมาเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสมาตอบสนองความอยากทางตาหูจมูกร่นกายกันอันนี้ก็จะทำให้เวลาตายไปก็ต้องไปใช้บาปเหมือนไปติดคุกติดตารางในในโลกทิพยนะ์เวลาเราตายไปนี้ร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็น ใจเป็นอะไรเป็นกายทิพย์กายทิพย์ก็อยู่ในโลกทิพย์เมื่อทำบาปก็จะต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์คุกตารางในโลกทิพย์ก็มีสีแดนแดนเดลระฉานแดนเปรตแดนสุรกายแดนนรกถ้าทำบุญไม่ได้ทำบาปตายไปก็ไปอยู่ในสวรรค์ไปได้ได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สวรรค์นี่ก็คือที่ท่องเที่ยวดีๆนี่เองเหมือนกับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เราไปท่องเที่ยวได้เพราะอะไรเพราะเรามีเงินถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้คนที่ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ได้เพราะมีบุญบุญนี่เป็นเหมือนเงินที่เราใช้กันในโลกทิศพอมีเงินนี้เวลาตายไปเราก็ไปท่องเที่ยวในสวรรค์กัน เพราะเรามีบุญได้ทำบุญไว้พอเราใช้เงินหมดใช้บุญหมดเราก็ต้องกลับมาถ้าเป็นมนุษย์เวลาเราไปเที่ยวกันพอเงินหมดทำไงก็กลับบ้านกลับมาหาเงินใหม่ถ้าเป็นกายที่พอไปเที่ยวในสวรรค์หมดบุญหมดก็กลับมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มาหาเงินหาทองกันใหม่ มาทำบุญทำบาปกันใหม่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเยวียนว่ายตายเกิดกันไปเรื่อยๆ เ, เพราะไม่มีใครบอกว่าเกิดมาเพื่อหยุดการเกิดไม่มีใครสอนว่าให้มาระบาบใหมาทำบุญให้มาทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี่เป็นวิธีที่จ ะ, ะหยุดการเกิดได้ถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ละบาป ไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบ่อยสุดใจก็จะไม่ไม่สะอาดใจก็ยังจะมีความอยากสาประการนี้อยู่ในใจตลอดเวลาความอยากสาประการนี้ก็จะดึงให้ใจกลับมาเกิดหลังจากที่ไปใช้บาปในอบายแล้วหรือไปรับผลบุญในสวรรค์แล้วพอบุญกับบาปที่ได้ทำไว้ได้ชำระได้ใช้หมดแล้ว ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปกันใหม่จนกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเจอกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระธรรมคำสอนก็นดีหรือพระอริยสงสาวก็ดีทั้งสามนี้จะสอนเหมือนกันถ้าเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทำบุญละบาปให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าอ่านหนังสือธรรมะ นังสือธรรมะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยแปดหมสี่พันธรรมบทนี่สอนให้ทําบุญละบาปให้ชําระใจให้สะอาดบริสุสทธิ์สอนแค่นี้สอนสามข้อนี้ท่านเองถ้าเจอพระอาริยสงสาวกเจอพระอารหรันตท่านก็จะสอนแบบเดียวกันท่านก็จะสอนให้ทําบุญละบาปชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ท่านจะบอกว่าเกิดมาเพราะว่าเรา มีความอยากทั้งสามมีการมาตัณหามีภาวะตัณหามีวิภาวะตัณหาเราจึงมาเกิดกันพอเรามาเกิดแล้วเราสุขหรือเราทุกข์กันสุขบ้างแต่ทุกข์มากกว่าสุขต้นแต่ทุกข์ปลายกันเวลาเกิดนี้เวลาเป็นเด็กเป็นกำลังเจริญเติบโตนี่มันมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ พอเวลาเข้าสู่วัยชรานี่มันจะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขพนะ อ, อกแก่แล้วก็ไปไหนไม่ได้จะดูจะฟังอะไรก็ดูไม่ค่อยถนัดฟังไม่ค่อยถนัดจะไปเต้นรำเต้นการ้องลัมทำเพลงก็ไม่ไหวแล้วยังมีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อยๆต้องไปหาหมออยู่เรื่อยๆไปโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวในที่สุดก็ต้องตายกันนี่คือการเกิดเกิดมาแล้วมันต้องทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้เท่านั้นเองถ้าหยุดการเกิดไม่ได้ก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆและการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องใช้การทำบุญการละบาป ก, การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นเครื่องมือ ที่จะทำให้เราหยุดการเกิดได้ให้เราทำบุญเช่นถ้าเรามีเงินเหนือนกินเหนือนใช้คนเราทุกคนต้องมีเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันที่เราทำมาหากินส่วนหนึ่งก็คือจะได้อามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาซื้อบ้านอยู่ซื้อเสื้อผ้าซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคแต่บางทีเราทำแล้วเราได้มากกว่าที่เราจะใช้ได้ เราก็มักจะไปใช้ตามความอยากกันพอมีเงินเหลือจากการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ซื้อของฟุ่มเฟือยกันซื้อแหวนซื้อเพชรซื้อของอะไรมาเครื่องประดับถ้าเสื้อผ้าก็ซื้อมากจนเกินความจาเป็นเห็นเสื้อผ้าเห็นชอบก็ซื้อเห็นรองเท้าชอบก็ซื้อเห็นกระเป๋าชอบก็ซื้อ ถ้ามีคนมาชวนไปเที่ยวก็ไปถ้ามีเงินเหลือใช้จากการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องการใช้เงินแบบนี้เป็นการต่อพบต่อชาติเหมือนกับเราเติมเงินเพื่อต่ออายุโทรศัพท์มือถือใช่หไหมอายุโทรศัพท์นี่ก็มีวันหมดอายุใช่ไหมถ้าไม่อยากให้หมดก็ต้องต่ออายุเติมเงินเข้าไปเราก็จะต่ออายุการใช้งานของ ของบัตรของหมายเลขของเราฉันใดเวลาที่เราเอาเงินไปทำตามความอยากนี่ก็เหมือนกับไปต่ออายุต่อพบต่อชาติให้กลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากนี้มันไม่หมดไปจากการเราการกระทำตามความอยากยิ่งทำยิ่งอยากใหญ่ความอยากมันจะขยายตัวจะมีเพิ่มมากขึ้นไม่มีไม่ได้ลดน้อยลงฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าวิธีที่จะทำให้พพชาติน้อยลง ก็คืออย่าเอาเงินไปทำตามความอยากถ้าอยากจะซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าที่เรามีเยอะแยะอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องซื้อ <c oughs> ก็เอาไปทำบุญแทนหรือถ้าอยากจะซื้อก็ได้ซื้อแล้วก็เอาไปเป็นของขวัญให้คนอื่นไปอย่ากเก็บเอาไว้เป็นของตัวเองถ้าซื้ออย่างนี้ต่อไปมันจะเลิกซื้อ เพราะว่าซื้อแล้วไม่ได้ใช้เองซื้อแล้วต้องไปให้คนอื่นเขาก็ไม่รู้จะไปซื้อทําไมต่อไปก็จะไม่ซื้อเอาเงินมาทําบุญดีกว่าแล้วต่อไปเราก็จะได้หยุดความลดความอยากหาความสุขจากการใช้เงินได้เราก็จะลดจํานวนของภพชาติให้น้อยลงไปความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆก็จะน้อยลงไป อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งต้องทำบุญเพื่อลดความอยากถ้าเรามีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆเอาไปใช้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเอาไปใช้ทางทางอื่นก็ได้บางคนมีเงินก็อยากจะต่อเงินก็เอาเงินนี้ไปต่อเงินไปลงทุนอะไรต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการทำตามความอยากอยากรวยมากขึ้น เรา อ, อยากเป็นใหญ่เป็นโตก็เอาเงินไปหาเสียงเวลาจะสมัครผู้ใหญ่บ้านกำนันสทสสก็ต้องมีเงิน ม, มีค่าใช้จ่ายหาเสียงกันอันนี้ก็ใช้เงินตามความอยากอยากมีอยากเป็นอยากเป็นน้าอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะเป็นกำนันอยากจะเป็นสอท อ, อยากจะเป็นสอส อ, อยากจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องใช้เงินกัน พวกที่เขาทำมาหากินแล้วมีเงินเยอะเหลือกินเหลือใช้เขาก็เอาเงินนี้มาต่อทำตามความอยากที่เขาต้องการถ้าอยากรวยเขาก็เอาไปลงทุนเพิ่มขยายกิจการเห็นไหมธนาคารตอนที่เขาเริ่มต้นก็มีสาขาเดียวใช่ไหมพอพอพ อ, พอมีลูกค้าเยอะก็ขยายสาขาไปเรื่อยได้กาําไรก็เอาเงินที่ได้กําไรนี้ไปขยายสาขาเงินก็มากขึ้นมากขึ้น ยันนี้มีกันเป็นหมื่นล้านแสนล้านอันนี้ก็เป็นการต่อต่ออายุของต่อพพต่อชาติให้มีมากขึ้นเพราะความอยากมันมีมากขึ้นไปมันไม่หมดมันยิ่งมียิ่งมียิ่งยิ่งได้ยิ่งอยากได้ใหญ่ตอนต้นได้ล้านก็ดีใจเดี๋ยวก็อยากได้เป็นสิบล้านพอได้เป็นสิบล้านก็อยากจะเป็นร้อยล้านมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เหมือนกันเป็นการทําตามความอยากให้เอาเงินที่เราจะมาใช้ทาตามความอยากอันนี้อย่าไปสนับสนุนความอยากต้องเอามากําจัดความอยากเวลาจะอยากจะเอาเงินนี้ไปสนับสนุนการมตัฐานหาก็ไม่เอาเอาไปทําบุญแทนเอาเงินมาสนับสนุนการไปเป็นสอสอเป็นนายกก็ไม่เอาเอาเงินมาทาบุญแทน เป็นคนธรรมดาดีกว่าเป็นคนธรรมดาชาตินี้แต่ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดถ้าเป็นนายกเป็นสอสอเดี๋ยวชาติหน้าต้องกลับมาเกิดใหม่น่ า, าจจะไมไ่มาเป็นนายกเป็นสอสอาจจะมาเป็นขอทานก็ได้ถ้าไม่ได้ทาบุญเอาไว้กลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่มีเงินรอเราอยู่การทาบุญนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินที่รอเราอยู่ในภพหน้าชาติหน้า ถ้าเรายังไม่สามารถหยุดการเกิดได้ถ้าเรามาเกิดชาติหน้าเงินที่เราทำบุญไว้ก็จะรอเป็นของเราจะอยู่กับพ่อแม่คนที่ร่ำรวยเราก็จะมาเกิดเป็นลูกของคนร่ำรวยเงินทองที่พ่อแม่มีอยู่นี่มันมันเป็นของเราเราทำไว้แต่ชาติก่อนเพราะพ่อแม่ก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องมอบให้กับเรานี่ก็ เรื่องของการทำบุญทำบุญเพื่ อ, อกำจัดความอยากที่เกี่ยวกับการใช้เงินทองอาจจะใช้เงินทองทำด้วยความอยากก็อยากไปใช้เหมันนให้มองว่ามันถึงแม้ว่าจะได้ดีในชาตินี้แต่มันแค่ไม่กี่ปีเป็นนายกเป็นสอสอเป็นนักฐมนตรีกันไม่กี่ปีตายไปแต่ต้องกลับมาเกิดมาอีกไม่รู้กี่ร้อยชาติ ถ้าหยุดการใช้เงินตามความอยากได้ชาตินี้อาจจะเป็นชาติสุดท้ายของเราก็ได้อาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายกันเวลาทำบุญให้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเดี๋ยวชาติหน้าจะได้กลับมารวยกว่าเกา่าอันนี้ก็เป็นความจริงแต่เราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ดีเผื่อเรายังทาเรายังหยุดความอยากทั้งสามไม่ได้หมด อาจจะหยุดได้บางส่วนอาจจะกลับมาคราวหน้าจะมาเป็นพระโสดาบันก็ได้พระโสดาบันนี้จะเหลือภพชาติเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นเองถ้าได้เป็นพระสะกิดาคามีก็จะเหลือภพชาติเพียงชาติเดียวจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวตรงนี้เวลากลับมาเกิดเขาก็จะกลับมาเกิดสบายพระโสดาบันพระสะกิดาคามีเพราะเขาได้ทาบุญ น, น, นี้ไว้แล้วพอดี เขาเกิดมีอุบัติเหตุตายไปก่อนก่อนที่เขาจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เขาได้แค่ขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีเขาก็ยังต้องกลับมามามาปฏิบัติต่อเพราะงานชำชำละจิตใจยังไม่สาเร็จชำละซักพอกได้เพียงห้า5อร์ซอร์เซนก็ต้องกลับมาซักพอกจิตใจต่อมาตัดความอยากที่ยังเหลืออยู่ให้หมดไป แต่จะกลับมาเกิดสบายเพราะพวกนี้เขาจ ะ, ะเขาจะทาบุญมีเงินมีทองเขาจะไม่เอาไปอเอาไปใช้กับของฟุ่มเฟือยจะไม่เอาไปไปหาไปต่อเงินหรือจะเอาไปทำให้ตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาะจะเอาไปทาบุญเพียงอย่างเดียวมีเงินเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปทาบุญแล้วถ้าเกิดเขายังต้องกลับมาเกิดใหม่ เงินที่เขาทำนี้ก็จะรอเขาอยู่เขาก็จะก็มาเกิดกับลูกคนรวยลูกคนมีฐานะไม่ยากจนแล้วเขาก็จะมาปฏิบัติธรรมมาหยุดความอยากที่เหลืออยู่ในใจต่อไปอันนี้ก็เรื่องของอา น, นิสงส์ของการทำบุญเป้าหมายที่แท้จริงของการทำบุญก็คือหยุดความอยากที่จะเอาเงินนี้ไปทำตามความอยากกันถ้าเราทุกครั้งอยากจะซื้อของ ฟุ plays, ่มเฟือยเราไม่ซื้อเอาเงินมาทําบุญต่อไปเราจะไม่ซื้อเราจะไม่อยากซื้อของฟุ่มเฟือยเพราะผลที่เราได้รับจากการทําบุญนี้มันดีกว่าผลที่เราได้รับจากการไปซื้อของฟุสส่มเฟือยเวลาทาบุญนี <S <S ้ใจจะมีความสุขกว่ามีความอิ่มเอิบใจมากกว่ามากกว่าการไปซื้อของฟุ่มเฟือยของฟุ่มเฟือยนี่ดีใจเดี๋ยวเดียวเหมือนควันบุหรี่เวลาได้ซื้อของมานี่ดีใจ พอกลับมาถึงบ้านแล้วบางทีหายไปละลืมมันละแต่ความสุขใจที่ไดจากการทําบุญนี้มันยังติดอยู่กับใจนานกว่าทําบุญเมื่อสามวันก่อนเมื่อปีที่แล้วคิดถึงมันยังมีความสุขนะแต่ถ้าคิดถึงเงินที่เราไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี่คิดแล้วแทนที่จะมีความสุขกับมีความอยากซะแล้วอยากซื้ออีกชุดละอันนี้พอเกิดความอยากก็หิวละ แทนที่จะอิ่มไม่ไม่อิ่มนะกับหิว น, นี่คือผลแตกต่างกันของการใช้เงินใช้เงินที่ทำให้มีความอิ่มเอิบใจหรือทำให้เกิดมีความหิวขึ้นมาถ้าใช้เงินตามความอยากมันจะหิวไปเรื่อยจะอยากไปเรื่อยๆอยากจะซื้อของไปเรื่อยๆถ้าใช้เงินด้วยความอยากนี่มันจะอิ่มใจสุขใจถ้าไม่มีเงินซื้อมันก็ไม่มันก็ไม่ซื้อไม่ไม่ทำบุญก็ได้ แต่ถ้ามีก็ถ้าจะเอาไปทำตามความอยาก mm. ก็เอาไปทำบุญดีกว่านี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับครัเราหัดมาทำบุญกันเราจะต่อไปเราจะไม่ต้องซื้อของมากมายแต่เราจะมีความสุขมากกว่าตอนที่เรามีข้าวของมากมายมีข้าวของมากมายใจก็ไม่อิ่มไม่พอมีแต่อยากได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าได้ทำบุญแล้วใจมันอิ่ม มีเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอแนละ้วพออยู่ได้ก็พอนี่คือหน้าที่ของการทำบุญเพื่อสกัดความอยากเพื่อลดละความอยากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินทองแล้วก็ข้อที่สองก็ให้เราละบาปกันเพราะทำบาปนี้มันจะทำให้ใจเร า, เาไม่สบายจัานจำท้ายใจเราทุกข์แล้วจะมีโทษตามมา การทำบาปนี่ก็ทำตามความอยากอยู่แล้อยากได้อะไรพอไม่มีเงินก็ไปขโมยเงินเพื่อที่จะได้เอาเงินไปซื้อของที่เราอยากได้อยากไปเที่ยวอย่างนี้ไม่มีเงินเที่ยวก็ต้องไปขโมยเงินไปช่อโกงเพื่อจะได้มีเงินไปเที่ยวอยากจะซื้อของต่ตางๆก็เหมือนกัน กม็มันก็จะช่วยสกัดความอยากได้เหมือนกันสกัดความอยากที่จะซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นได้หรือแม้แต่ของจำเป็นก็สกัดมันได้ถึงแม้ว่าไม่มีอาหารกินก็ยอมอดดีกว่าถ้าเราคิดถึงโทษที่จะตามมาจากการทำบาปถ้าไปขโมยอาหารมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ก็จะไปเป็นเดรัจฉานทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำบาปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ ก็จะเป็นแบบเดียวกับพวกสัตว์เดรัจฉานพวกสัตว์เดรัจฉานนี่เขาไม่เป็นไม่เขไม่ได้เป็นเปรตเพราะเขาหากินพออยู่พอกินนะนะเขาไม่มีที่เก็บเงินเก็บอาหารไว้เป็นโกดังใช่ไหมพวกที่มีมีเงินเป็นโกดังนี่พวกนี้เป็นพวกเปรตนะถ้าทําบาสนะแต่ถ้าไม่ทําบาป ก, ก็ไม่ได้เป็นเปรตนะเป็นมนุษยนะ์ถ้าหาเงินด้วย ด้วยการไม่ทำบาปได้เงินมามากๆเป็นโกดังนี้ก็ไม่เป็นเปรตเป็นมนุษย์แต่ถ้าทำด้วยความด้วยการทำบาปเนี่ยช่อโกงเนี่ยอย่างนี้ก็ก็จะเป็นเปรตเพราะทำบาปนั้นไม่ให้ทำบาปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปไปอบายกันแล้วเราก็จะได้หยุดความอยากด้วย อยากอยากมีเงินทองก็หาบันตามตามมีความสามารถของเรานี่คือข้อที่สองคือการไม่ทำบาปจะช่วยลดความอยากต่างๆได้เพราะการหาเงินด้วยการไม่ทำบาปมันหายากมันทียากมากก็เลยไม่เอามันดีกว่าอยากได้เงินแต่มันได้เงินมาแล้วมันยาก ก็ไม่เอามันดีกว่าเอาพอมีพอกินก็พ อ, อก็อาจจะหยุดความอยากได้หยุดความอยากล่ำอยากรวยได้หยุดความอยากเป็นใหญ่เป็นโตได้คนที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตนี่บางทีมักจะต้องไปทำบาปนะฉะนั้นกฎมายเขาบอกว่าไม่ให้ซื้อเสียงก็ต้องซื้อเสียงถ้าไม่ซื้อเสียงมันก็ไม่ไดอ้อย่างนี้ก็เป็นการทำบาปนะเป็นการช่อกงนะ อย่างถ้าเราถือศีลเราก็จะไม่ไปเล่นการเมืองเพราะเล่นแล้วมันเล่นก็เลนก็ไม่ได้เพราะมันซื้อเสียก็ไม่ได้ซื้อเสียไม่ได้ก็ไปเล่นให้มันเสียเวลาใช่ไหมก็หยุดความอยากเป็นสส อ, อไปหยุดความอยากเป็นสอทอหยุดความอยากเป็นอะไรไปมันก็ช่วยได้ถ้าเรารักษาศีลไม่ทําบาป ก, กันนี่ก็คือข้อที่สองในกระบวนการของการกําจัดความอยากที่มีอยู่ในใจ ข้อที่สามการชำระใจนี้ต้องชำระด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าภาวนามีสมถาภาวนาวิปัสนาภาวนาอันนี้ก็เป็นการซักพอกใจกำจัดความอยากเวลาเราเจริญสมถาภาวนาคือนั่งสมาธิหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากก็ต้องหยุดเพราะความอยากมันต้องอาศัยความคิดเป็นผู้นา ถ้าเราไม่คิดถึงขนมเราจะอยากกินขนมนะแต่ถ้าพอคิดถึงขนมปั๊บเดี๋ยวความอยากกินขนมมันจะมาคิดถึงแฟนเดี๋ยวก็อยากจะไปหาแฟนนะคิดถึงที่เที่ยวเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวแล้วแต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปทั้งวันนี้มันก็จะไม่มีความอยากตามมานั่งสมาธิพุทโธพุทโธจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบพอสงบจิตก็จะพบกับความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวจากการไปกินไปดื่มอันนี้ก็จะช่วยให้เราเลิกความอยากได้ในขณะที่เราอยู่ในสมาธิใจเรามีความสุขมีความอิ่มก็เลยไม่คิดที่จะไปเที่ยวแต่ความอยากยังไม่ตายพอจากสมาธิมาเดี๋ยวถ้าเราเผลอปล่อยไปคิดมันก็อยากขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะไม่ให้มันคิด อยากจะให้มันตายอย่างถาวรเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้วิปัสสนาขั้นที่สองคือการดูความจริงว่าความอยากนี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษกันนะ่ทำตามความอยากแล้วเราได้หรือเราเสียกันแนะ่ถ้าเราทาตามความอยากสิ่งที่เราได้คืออะไรก็จะได้กลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากนี้เป็นตัวที่จะทำให้เรากลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่ถ้าเราไม่ทาตามความอยาก ความอยากมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะไม่พาเรามาเกิดใหม่อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาให้เราเห็นโทษของความอยากวาความอยากนี้เป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆต้นเหตุของปัญหาต่างๆอยู่ที่ความอยากอยากแล้วมันจะไม่พออยากแล้วมันจะอยากไปเรื่อยๆอยากจะดื่มกาแฟลองไปดื่มน่นสิ ม่ใช่ดื่มแก้วเดียวมันจะพอนะเดี๋ยวอีกสักสองชั่วโมงก็อยากขึ้นมาใหม่นะแล้วก็อยากไปเรื่อยๆวันหนึ่งเดือมกี่ครั้งกี่กี่ถ้วยกันเดือนหนึ่งกี่ถ้วยปีหนึ่งกี่ถ้วยชาติหนึ่งนี่กี่ถ้วยมันไม่หยุดอะต่อให้แก่อย่างไรถ้ายังดื่มได้มันก็ยังอยากจะดื่มอยู่นั่นแหละเพราะใจมันไม่ได้แก่ไปกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันแก่ความอยากก็ไม่มีวันหมด จะหมดได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากเท่านั้นถ้าเราไม่ถ้าไม่ทำตามความอยากเช่นอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มกลับไปนั่งสมาธิดีกว่าความสุขที่ได้จากสมาธิมันดีกว่าการดื่มกาแฟเราจะใช้สมาธิช่วยช่วยในการแก้ปัญหาแต่ถ้าเราเข้าสมาธิไม่ได้เดี๋ยวทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องไปดื่มถ้ามันอยากมากๆทนไม่ไหวเพราะเวลามันอยากใจมันสัน่น ใจมันทุกข์ใจมันไม่สบายแต่ถ้าเราเข้าสมาธิได้มันจะหายสัน่นมันจะสงบมันจะสบายแล้วมันจะไม่เดือดร้อนมันก็จะเลิกดื่มกาแฟได้มันก็จะเลิ ก, ก, ก, เลกความอยากทุกชนิดได้อยากอะไรก็เข้าไปในสมาธิแทนทำใจให้สงบอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้ต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดกาลังไปเพราะเรารู้ว่าการทำตามความอยากนี้ เป็นโทษไม่ได้เป็นคุณนะเราต้องรู้ว่าสาเหตุว่าเราทําไมไม่ทําตามความอยากเพราะว่ามันเป็นโทษมันจะพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดมันจะพาให้เรามันจะทําให้ใจเราสัน่นทําให้ใจเราเครียดคนที่ติดอะไรมากๆนี่ยเวลาเวลาไม่ได้เสพนี่ก็เรียกว่าใจสั่นมากทรมานมากคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเพราะความอยาก พออยากน้อมใจมันสั่นถ้าไม่ได้เสพพอได้เสพความอยากมันก็จะสงบตัวลงใจก็จะหายสั่นแต่หายชั่วคราวเดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าไม่อยากให้มันโผล่กลับขึ้นมาใหม่ก็ไม่ต้องไปเสพมันปล่อยให้มันสั่นไปมันจะสั่นเราก็เข้าสมาธิไปพอเข้าสมาธิมันก็หายสั่นเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความอยากอไปความอยากมันก็จะไม่มีกาลังที่จะมา พามาลากให้เราไปทำตามความอยากได้นี่คือการชำระใจให้สะอาดต้องชำระด้วยสมถะและวิปัสสนาสมถะอย่างเดียวก็เพียงแต่กราจัดมันชำระมันได้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิมามันก็อยากถ้ามันอยากก็ต้องฝืนมันอยากไปทำตามความอยากใช้ปัญญาสอนว่าอยากไปทำตามความอยากให้กลับไปเข้าไปสมาธิใหม่เข้าไปทำใจให้สงบใหม่ พอใจสงบก็หายสันหายอยากทํอย่างนี้ทุกครั้งไปต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังมันก็จะไม่สามารถพาให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้อีกต่อไปนี่คือเรื่องของการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างร้อยเปอร์เซนการทำบุญการไม่ทำบาปนี้เพียงแต่สกัดมันไว้ตัดกำลังมันถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงแต่ตัดกิง่ง ตัดก้านเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ตัดต้นไม้ยังไม่ได้ถอนถอนรากถอนโคนของต้นไม้ถ้ายังไม่ได้ถอนรากถอนโคนต้นไม้มันก็ยังงอกขึ้นมาได้สมาธิก็เหมือนกับตัดต้นไม้ศีลกับบุญก็เหมือนกับตัดใบตัดกิ่งทําบุญก็เหมือนกับไปตัดใบนักษาศีลก็เหมือนกับไปตัดกิ่งของต้นไม้แต่ต้นไม้เดียวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ตัดต้นก็นั่งสมาธิก็เหมือนกับการกัด ตัดต้นไม้แต่ตอมันยังอยู่รากมันอยู่เดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันตายอย่างราบคาก็ต้องถอนถอนถอนถอนรากถอนโคนมันขึ้นมาอันนี้ก็เรียวกว่าวิปัสสนารากคนของความอยากคืออะไรก็คือความไม่รู้ว่าความจริงไม่รู้ว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการพาให้เรามาเกิดกันเป็นการทําให้เราทุกข์ทำให้ใจเราสั่นกัน ก็คือความอยากนี่เองอันนี้ปัญญาพอเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวปัญหาเราก็ต้องหยุดมันไม่ทําตามมันเลิกทําตามความอยากพอเรามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะไม่ทําตามความอยากอีกต่อไปความอยากมันก็จะหมดอานาจไปแล้วมันก็จะไม่สามารถพาให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่สามารถทำให้ใจเราสั่นได้อีกต่อไป ใจเราก็จะสงบไปตลอดเวลาเป็นมเป็นมีบาล ม, มสุขตลอดเวลานิบานังปาลมังสุขขังเนี่ยนิพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพานก็คือใจที่ได้รับการชำระจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วเรียกว่านิพานไม่ใช่เป็นสถานที่เป็นใจของเรานี่แหละที่เราหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราหมดไปได้ใจเราก็สะอาดบริสุทธิ์ ใจเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจเราจะไม่มีวันสั่นอีกต่อไปไม่ว่าจะเจออะไรใจจะเฉยเฉยจะไม่เดือดร้อนเห็นกาแฟก็ไม่เดือดร้อนเห็นเสื้อผ้าก็ไม่เดือดร้อนเห็นกระเป๋าก็ไม่สั่นเห็นรองเท้าก็ไม่สั่นเฉยเฉยมือไม้ไม่สั่นพวกที่มือไม้สั่นต้องหยิบเงินออกไปมันถึงจะหายสั่นหยิบเงินไปซื้อมันถึงจะหายสัยน่นเงินตั้งเงินยังอยู่ในกระเป๋าอยู่ยังสั่น เอาแลนั่นนี่แหละคือเรื่องของการได้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเราจะได้ไม่สงสัยต่อไปว่ามาเกิดได้อย่างไรแล้วจะรู้ว่ามาเกิดเกิดมาเพื่อทําอะไรเกิดมาก็เพื่อมาหยุดการเกิดการจะหยุดการเกิดก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้การจะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็ต้องทําบุญละบาปชาระใจให้สะอาดด้วยการปฏิบัติธรรม สมถะภาวนาและวิปั ส, สนาภาวนาถ้าเราทำได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาพัดพากจากกันไม่ต้องมาเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ต้องมาพบกับคนที่เราไม่ชอบอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้ปฏิบัติแล้วได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นความจริง ได้สัมผัสกับผลที่ปฏิบัติแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วท่านก็เมตตาอามาสั่งมาสอนพวกเราถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอนาาันตสาวกเราก็จะไม่มีวันรู้เรื่องราวต่อนี้ได้เลยพวกเราก็จะหลงไปกับการหาราบยศจารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสหาเสื้อผ้าหากระเป๋าหารองเท้าหาเครื่องประดับต่างๆ หาสถานที่ท่องเที่ยวหาสถานที่กินที่ดื่มกันไปจนวันแก่วันตายตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่หลังจากที่ไปใช้บุญใช้บาปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนเราว่าเรามาเกิดทําไมเกิดมาได้อย่างไรพอเรารู้แล้วถ้าเรามีศรัทธามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้เราก็จะได้เป็นพระสาวกต่อไป เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บไม่ต้องมาทุกข์กันอีกต่อไปเพราะทุกข์ย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่แม้ว่าจะมาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนร่ํารวยขนาดไหนก็ยังหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้นั้นอย่ากลับมาเกิดไม่เกิดก็ต้องมาทําบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนากันะ นี่คือทางเดียวที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปะริปุเรติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปกะปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุ สัพเพบริ่นตุสังกะปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนาสีฤทธานิจจังวุทาปจายโน จต <Okay. S 1> ารโหมวะทานติอายุวโนสุขังภาลังาำถามจากคุณมีเคค่ะคุณพ่อติดการพนันตั้งมเสยนให้ลูกๆใช้ให้หนูต้องทำยังไงคะให้เงินใช้เยอะหรือลดน้อยลงพ่อก็ทำอยู่ดีหนี้ผุดขึ้นมาเรื่อยๆไม่เคยหมดใช้ไม่หมดสักทีค่ะ ก็อย่าไปใช้เสียให้พ่อเขาใช้เองเราก็ซื้อข้าให้พ่อกินไม่ต้องให้เงินพ่อขาดข้าวก็ซื้อข้าวมาให้ขาดอะไรก็ซื้อเป็นของไปเดี๋ยวให้เป็นเงินคำถามจากคุณนะับพนันค่ะอาการของติติกับอาการของกิเลส ท, ที่มาหลอกเราตอนนั่งสมาธิต่างกันอย่างไรคะอ๋ออันนี้ก็ต้องเจอมันก็จะรู้เองถ้าเป็นกิเลสมันก็จะร้อน ถ้าเป็นบิบีติมันก็จะเย็นมันก็จะสุขคำถามจากคุณอัคคะละวัตค่ะการทําสมาธิโดยการใช้ดูลมหายใจเข้าออกเป็นวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดหรือเปล่าคะเ อ, อ่อก็เป็นวิธีหนึ่งที่ถูกต้องมีสี่สิบวิธีด้วย ก, กันวิธีทําสมาธิแต่ละคนก็อาจจะ เ, เลือกได้ชอบได้ชอบชอบอย่างไรก็เอาแบบนั้น การทำสมาธิก็เหมือนกับการรับประทานอาหารอาหารที่เราจะรับประทานเพื่อให้เราอิ่มมันก็มีหลากหลายจะกินอาหารจีนก็ได้อาหารไทยก็ได้อาหารฝรั่งก็ได้กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันวิธีนั่งสมาธิเพื่อให้ใจอิ่มก็มี4ี่สบวิธีดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นวิธีหนึ่งเรียกว่าอนาปนาสติถ้าบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็เรียกว่าพุ ท, พทธานุสติ เราเลถึงพระพุทธเจ้าถ้าสวดมนต์ก็เป็นธรรมานุสติมนต์ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคำสอนก็มีหลากหลายจะคิดถึงความตายก็เรียกว่ามรานุสติวิธีเหล่านี้ก็ทาให้ใจเราสงบได้แล้วแต่ละคนชอบวิธีไหนก็เลือกทำเอาวิธีนั้นคำถามจากคุณบุญน้มานพค่ะ คนที่เคยมีปัญหากันมาพบเจอกันใหม่ตัวเราคิดว่าเราให้อภัยเขานำเรื่องเก่ามาตอกย้าเรายังโกรธอยู่สิ่งสิ่งเราคิดว่าให้อภัยแต่ในใจเรายังไม่สามารถลืมเรื่องเก่าๆได้ต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะสามารถละกิเลส ต, ตัวนี้ได้คะก็ต้องใช้สติเบื้องต้นเราต้องหยุดความโกรธเวลาเราโกรธเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป อย่าไปสนใจกับเรื่องที่กขากำลังพูดอยู่อย่าไปอย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธเราก็จะหยุดความโกรธได้ชั่วคราวถ้าอยากจะให้หายโกรธอย่างถาวรเราก็ต้องค้นหาสาเหตุของความโกรธว่าเกิดจากอะไร สาเหตุของความโกรธก็คือความอยากนี่เองอยากให้เขาทำอะไรให้เราพอก็ไม่ทำให้เราเราก็โกรธเขาอยากให้เขาดีกับเราเขาไม่ดีกับเราเราก็โกรธเขาเราก็เลิกความอยากนี่ก็แล้วกันก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาเขาจะด่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปเขาจะร้ายกับเราก็ปล่อยก็าร้ายไปเราก็จะไม่โกรธเขาหยุดความอยาก ความอยากนี้เป็นต้นเหต uh. ุของความโกรธของเราไม่ใช่การกระทําของคนอื่นที่ทำให้เรากโกรธการกระทําของคนอื่นเป็นเพียงจุดชนวนเป็นเหมือนไม่ขีดแต่ระเบิดมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วเขาเพียงแต่มาจุดระเบิดที่มีอยู่ในใจเราถ้าเราไม่มีระเบิดต่อให้เขาจุดไม่ขีดยังไงมันก็ไม่มีระเบิด <throat> เราต้องถอนระเบิดออกจากใจเรา <lum S 1> คือความอยากอยากให้เขาดีกับเราอยากให้เขาชมเราอยากให้เขาทานู่นทานี่ให้กับเรา เราก็ไม่ทําก็โกรธเขาก็เท่าทนั้นเองก็<น>เลิกความโกรธแะ้พอเราเลิกความโกรธแล้วเขาจะทําอะไรไม่ทําอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนนะอยงนั้นอย่าไปโทษเขาว่าเขาเป็นคนทำให้เราโกรธโทษเราเนี่ยความอยากของเราเองไปอยากให้เขาทํานู่นทํำนี่พอเขาไม่ทําเราก็โกรธขึ้นมาเราต้องอเราต้องเอาระเบิดออกจากใจเราคือความอยากถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่โกรธใคร คำถามจากคุณแก้มค่ะปฏิบัติธรรมแล้วตาบ่าแตกค่ะเหมือนคนบ้าโกรธง่ายขึ้นคุมจิตใจก็ไม่อยู่โกรธอารวาดหวาดกลัวมีวิธีแก้ไหมคะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าปฏิบัติบ้าถ้าปฏิบัติธรรมเขามีธรรมคาว่าธรรมก็คือสติสติธรรมการปฏิบัติธรรมต้องมีสติสตินี่เป็นธรรมถ้าปฏิบัติแล้วเป็นบ้าก็แสดงว่า ปฏิบัติโดยไม่มีสติตบบาบะแต่ก็คือสติแตกนั่นเองเนี่ยเราต้องระมัดระวังเราต้องพยายามรักษาสติให้ได้ต้องประครับประคองสติให้คอยดูแลใจเราอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้หมันเราเลือกถึงพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอะไรลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าพุทโธมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ จะไปอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่มีอยากมันไม่มีวันที่จะ ส, สติแตกหรอกที่สติแตกเพราะไม่มีสติพอไม่มีส ต, มมสติมันก็เลยอยากอยากแล้วมันก็เบรกหลุดพออยากแล้วมันก็ต้องไปทำตามความอยากพอไม่ได้ทำตามความอยากก็โกรธคำถามจากคุณปียพรค่ะขอเรียนถามถึงวิธีกาจัดนิวรณ์ความเบื่อหน่ายเวลานั่งสมาธิด้วยค่ะ ความเบื่อหน่ายก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติไม่ถูกนั่นเองปฏิบัติไม่ได้ผลมันก็เลยเบื่อเหมือนทํางานแล cœur, ้ no, spoiled, วไม่ได้เงินเดือนมันก็เบื่อใช่ไหมแต่ถ้าทํางานแล้วได้เงินเดือนมันก็ไม่เบื่อที่ไม่ได้เงินเดือนก็เพราะว่าทํางานไม่มีผลงานเขาก็เลยไม่จ่ายเงินเดือนให้เราเช่นขายประกันนี่เขาไม่มีเงินเดือนก็มีแต่ค่าคอมใช่ไหมถ้าขายได้ก็ได้ได้ค่าคอมไปถ้าขายได้มันก็มีกําลังใจที่จะขาย ถ้าขายไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้ก็ไม่มีกำลังใจก็ต้องมาถามว่าทำไมเราขายไม่ได้ก็ต้องไปศึกษากับคนที่เขาขายได้ก็ทำยังไงก็ถึงขายได้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วยังไม่ได้ผลก็ต้องไปถามคนที่เขานั่งสมาธิเป็นว่าเขานั่งยังไงถ้ามาถามที่นี่ก็ต้องบอกต้องมาฝึกสติก่อนถ้านั่งสมาธิโดยไม่มีสตินั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันได้ผล ต้องมีพุทโธก่อนต้องฝึกสติก่อนต้องหันมันฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนึ่ตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธควบคุมความคิดเนี่ยถ้าเราพุทโธใจเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เวลานั่งสมาธิเราต้องการหยุดความคิดถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความคิดได้ถ้าเราหยุดความคิดได้ใจก็จะเข้าเข้าสมาธิได้ใจก็จะมีความสุขก็จะไม่เบื่อสมาธิจะชอบสมาธิจะอยากจะนั่งสมาธิ ก็นั่งแล้วมันได้ผลเหมือนคนที่ขายประกันแล้วขายได้ก็อยากจะขายมีกําลังใจจะขายคนที่ขายไม่ได้ก็ไม่มีกําลังใจคนที่ขายไม่ได้ก็ต้องไปถามคนที่เขาขายได้ว่าขาเขาขายอย่างไรคนที่นั่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องไปถามคนที่นั่งสมาธิได้ว่าเขานั่งได้เขาได้อย่างไรก็มามาถามเราแล้วก็บอกให้ไปฝึกพุทโธก่อนสร้างพุทโธขึ้นสร้างสติขึ้นมาก่อนด้วยการหมันเจริญพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ แล้วรับรองได้ว่าถ้าเรามีพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องเวลานั่งสมาธิเดี๋ยวก็จิตก็จะเข้าสมาธิได้จิตก็จะมีความสุขเราจะอยากนั่งสมาธิจะไม่เบื่อต่อไปคำถามอื่นคำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะได้ฟังธรรมะจากเว็บหนึ่งว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วสามารถเลือกที่จะบำเพ็ญเพียรบนสวรรค์คลองคู่การได้ทั้งเ็ชาติโดยไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ สามารถปฏิบัติทมด้วยการเผยแผ่สอนธรรมะแกะเทวดาบนสวรรค์จนเข้าสู่พระนิพพานได้จริงไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคำถามจากคุณเฟิร์สลีค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องการตื่นขึ้นของจิตหากเกิดขึ้นแล้วถือว่าจัดอยู่ในขั้นพระโสดาบันหรือเปล่าครับยังหรอตื่นก็คือมีสติเวลาถ้าเรามีสติอย่างต่อเ น, นื่องนี่จิตเราจะตื่น จะมีความตื่นตัวจะมีความรู้สึกอย่างต่อเนื่องไม่ไม่ไม่เคลิ้มไม่หลับยแต่ยังไม่มีปัญญายังเป็นโสดาบันไม่ได้จะเป็นโสดาบันต้องมีปัญญาต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราต้องเห็นว่าความเจ็บนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของร่างกายร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ต้องไม่ไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับมัน ถ้ายังไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับมันก็แสดงว่ายังหลงยังไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่คนอื่นเวลาเขาเจ็บเราเดือดร้อนนะจำไหมร่างกายเราเจ็บทำไมมันเดือดร้อนมันก็เหมือนกันร่างกายเราร่างกายของคนอื่นมันก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันแต่เราไปหลงคิดว่าร่างกายเรานี่เป็นของเราเราก็ต้องพยายามมองร่างกายของเราให้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นให้ได้ร่างกายคนอื่นตายเราไม่เดือดร้อนร่างกายของเราตายเราก็ไม่ต้องเดือดร้อน ร่างกายของคนอื่นเป็นมะเร็งเราร่างกายเราเป็นมะเร็งเราก็ต้องไม่เดือดร้อนอย่างนั้นเนี่ยถึงจะเป็นสวัสดิภาพได้เพราะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ค่ะนั่งสมาธิพิจารณาร่างกายว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆสิ่งที่พิจารณาอยู่หายไปเหลือแต่สติรู้ตัวว่านั่งอยู่ดูจิตพบว่าจิตสงบ ควรออกจากสมาธิแล้วพิจารณาใหม่ไหมคะถ้ามันสงบก็ยังไม่ต้องออกมาให้ปล่อยให้มันอยู่ไปจนกว่ามันจะออกมาเองตอนนั้นมันกําลังพักจิตมันพักผ่อนการพักจิตนี่ก็สําคัญเพราะจะทําให้จิตมีพลังที่จะออกมาพิจารณาต่อได้ถ้าออกมาในขณะที่ยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะออกมามันจะไม่มีกําลังที่จะไปพิจารณาเหมือนคนนอนหลับถ้านอนหลับอย่าไปปลุกเขาขึ้นมาทํางาน เพราเขาจะไม่มีกําลังปล่อยให้เขานอนให้พอเขาก็นอนเต็มที่แล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาเองอเขาก็ตื่นแล้วเราค่อยไปบอกให้เขาไปทํางานจิตก็เหมือนกันจิตก็ต้องมีต้องการพักผ่อนโดยเฉพาะงานที่ทําคืองานวิปัสสนานี้ต้องใช้การพักผ่อนมากกว่างานปกติต้องพักในสมาธิให้ได้นานๆแล้วจะมีกําลังที่จะมาใช้ต่อสู้กับการหยุดความอยาก คำถามสกุลอา ร, รยาข้อที่1ค่ะตื่นนอนและนั่งสมาธิทุกเช้าเวลาตีห้าโดยบริการพุทโทธติดต่อกันโดยไม่ได้ยึดติดกับลมหายใจเพราะเกรงว่าเวลาใกล้สิ้นลมจะดูลมทุทลายเพราะลมหายใจอาจจะติดขัดทำให้ไม่มีสมาธิแบบนี้คิดถูกต้องไหมคะออไม่ถูกหรอกการดูลมหายใจก็ดูเฉยๆมีลมก็ดูไปไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีเท่านั้นเอง ถ้าเราดูเฉยๆจะไม่มีการทุรนทุรายจะไม่มีอะไรเพราะเราเพียงแต่ดูมันที่เราทุรนทุรายเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราต้องมีลมหายใจพอไม่มีลมหายใจเราก็พยายามที่จะควายคว้าหาลมมันก็เลยทุรนทุรายแต่ถ้าเราดูลมเฉยๆเราก็จะตายอย่างสงบเวลาไม่หายใจก็รู้ว่าไม่หายใจก็รู้เฉยๆไปใจเราก็สักแต่ว่ารู้ไป งั้นจะใช้พุทโธก็ได้ใช้ลมหายใจก็ได้ไม่มีปัญหาเหมือนกันข้อสองข้อที่สองค่ะเวลานั่งสมาธิแบบไม่อาศัยพุทโธเข้าออกพอจิตนิ่งแล้วเหมือนไม่อยากจะหายใจเข้าออกเลยค่ะจะนิ่งดูอาการแต่ไม่ไหวเพราะจะขาดใจกลัวจิตจะไม่นิ่งต่อควรทำอย่างไรดีคะก็อย่าไปกังวลกัรลมไงไม่มีลมหายใจก็ช่างมัน มันไม่อยากหายใจก็ไม่ต้องหายใจไม่มีปัญหาอะไรเพราะจิตมันสงบมันปล่อยวางลมร่างกายก็ยังหายใจอยู่เพียงแต่ใจไม่ได้ไปยุ่งกับลมเท่านั้นเอง<ม>อยันถ้าเราใช้ลมหายใจไม่ได้ก็ให้ใช้พุทโธแทนใช้พุทโธพุทโธไปไม่ต้องใช้ลมคำถามจากคุณสีเมืองค่ะบางวันลูกไปทำงานแล้วเจอเหตุการณ์เหมือนที่ในฝันผ่านมาแล้วแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ ก็แบบที่เป็นอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะอยากเรียกว่าอะไรละ่ะมันมีชื่อหรอถามมันเสรเรียกว่าอะไรมาถามเราทําไมคาถามจากคุณศิริศักดิ์ค่ะกาเบียงพระอาจารย์กรุณาอธิบายเพิ่มเติม เ, มเวลาสัตว์โลกตายรูปแตกและนามดับครับอ่าเวลาคนตายนี่ร่างกายก็หยุดทํางานเท่านั้นเองหยุดหายใจร่างกายก็จะเริ่มแยกสลายไปทิ้งไป นานเข้ามันก็จะผุจะเผลอจะพองจะมันก็จะตายมันก็จะแยากกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปส่วนใจก็ไปต่อน้ําไม่ดับดับแต่น้ำดับแต่รูปน้าคือเวทนาสัญญาสังขารนี้ไปกับจิตต่อไปไปแล้วก็ไปเป็นเทพก็ใช้เวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นเป็นเทพไปแล้วพอได้กลับมาเกิดใหม่ก็ได้นั่งกายอันใหม่ คำถามจากคุณเจ้าฮะค่ะตอนนี้ได้ถือศีลแปดและตั้งใจจะถือศีลตลอด า, ารรตนี้ครับบางเวลาที่นั่งโซฟาแล้วเผลอนอนถือว่าผิดศีลข้อแปดหรือเปล่าครับถ้านอนบนที่นั่งที่นอนที่มันนุ่มมันสบายก็ผิดนะถ้าจะนอนก็ต้องมีสตินอนลงกับพื้นคำถามจากคุณอูค่ะเวลาตัวเอรู้สึกใจไม่สงบ แต่พิจารณาดูแล้วไม่รู้ว่าอยากอะไรควรจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบอย่างไรคะก็ให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้อยู่กับคำบริกรรมพุทธ ก, ก็ได้อย่าไปคิดอะไรแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบคำถามจากคุณศีดาค่ะเราจะมีวิธีในการวางจิตวางใจต่อสิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกต้องในชีวิตประจาวันอย่างไรคะ ก็มองว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนมันจะตกมันน้ำมันจะท่วมมันไม่เหมาะไม่สมมันเราก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันท่วมไปปล่อยมันตกไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้เราเห็นคนนั้นคนนี้ทําอะไรไม่ดีไม่เหมาะไม่สมเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปดูเขาว่างเขาก็เป็นเหมือนดินน้ําลมไฟเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศฝนจะตกแดดจะออกเราห้ามมันได้ปะ แผ่นดินจะไว้เหรอห้ามมันได้หรือเปล่ามันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติคนเราก็เป็นธรรมชาติการกระทําของคนเราก็เป็นธรรมชาติแต่เราไปมองว่าเป็นคนนั่นเองจริงมันเป็นการเคลื่อนไหวของดินน้ํำลมไฟร่างกายนี้เป็นดินน้ําลมไฟร่างกายมันก็เคลื่อนไหวพอเราไปเคลื่อนไหวนั้ น, ม, น, นมันก็ไปมีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆบางทีก็เป็นผลกระทบดีผลบางทีก็เป็นผ ล, ผลกระทบไม่ดี เช่นคนทําความดีก็เหมือนกับดินฟ้าอากาศดีทําให้มีการปลูกเพาะปลูกข้าวปลูกอาหารได้เวลาดินฟ้าอากาศไม่ดีมันก็เหมือนคนทําความไม่ดีก็สร้างความเสียหายทําลายข้าวของสิ่งของต่างๆได้มันก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นนะ่ะยิ่งแต่เราไปแยกน่างกายของเราออกมาจากธรรมชาติว่าไม่ใช่ธรรมชาติว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นความเห็นผิดมิจฉะทิฏฐิไม่ตรงกับความจริง ความจริงแล้วร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของดินน้าลมไฟของดินฟ้าอากาศมันทําอะไรก็เหมือนกับดินฟ้าอากาศลมพัดนี่เวลาคนพูดนี่ก็เหมือนกับลมพัดใช่ไหมเสียงออกมานี่ก็เสียงลมไม่ใช่นะนี่มันเสียงมันก็มีเสียงดีกับเสียงไม่ดีไปด่าเขาก็เสียงไม่ดีไปชมเขาก็เป็นเสียงดีก็เท่านั้นเองก็เหมือนลมลมพัดเบาๆก็เย็นสบายลมพัดแรงก็มีปัญหา เสือผ้าปิวเข้าของปิวมันก็ลมเหมือนกันแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันพัดเบาๆก็ไม่ได้สั่งไม่ให้มันพัดก็ไม่ได้มันจะพัดก็พัดมันจะพัดเบาก็พัดเบามันจะพัดแรงก็พัดแรงไปคนก็เหมือนกันคนจะพูดดีก็ห้ามเขาไม่ได้คนจะพูดไม่ดีก็ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ก็เป็นลมเหมือนกันแต่เราไม่ได้มองเขาว่าเป็นลมเราไปมองเขาว่าเป็นคนแล้วคิดว่าสั่งเขาได้ใช่ไหม เท่านั้นเองความหลงของเรานั้นพยายามมองให้เห็นว่าเขาเป็นธรรมชาติอนัตตาแปลว่าธรรมชาติไม่มีตัวตนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟคําถามจากคุณเดียค่ะเมื่อทํากิจวัตรประจำวันทํากายยะขจาสติแล้วนั่งสมาธิใช้พุทธานุสติทำแบบนี้ได้ไหมครับได้ได้คือเราต้องการหยุดความคิด เราเลยต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดกายกตาสติก็คือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายเช่นเรากําลังยืนก็ดูว่าเรากำลังให้รู้ว่ากําลังยืนกําลังเดินก็ให้รู้ว่ากําลังเดินกําลังรับประทานก็ให้รู้กํากลังรับประทานถ้ารู้อยู่กับการกระทําของร่างกายมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ใจก็จะว่างจากความคิดและเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบง่าย ประหยัดค่ะลูกประคำนามาใช้อย่างไรในการปฏิบัติธรรมครับเออไม่ต้องใช้หรอกอันนี้ไม่ทางพุทธศาสนาเราไม่ได้ให้ใช้รูกประคำเพราะใช้รูกประคำนี้มันยังร่างกายยังต้องทํางานอยู่เวลาเรานั่งสมาธิเราต้องการหยุดการทํางานของร่างกายเพราะการทํางานของร่างกายก็คือการทํางานของใจนี่แหละใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายนับประคำไปสั่งให้มันร่างกายก็ต้องขยับไปเรื่อยๆ ถ้าเราต้องการนั่งสมาธิเราต้องการให้ใจสงบเราต้องการปล่อยวางร่างกายเพื่อใจจะไสสงบถ้ายังไม่ปล่อยวางร่างกายใจจะสงบไม่ได้เพราะะนั้นเมืนั่งสมาธิต้องนั่งเฉยๆใจถึงจะสงบได้คำถามจากคุณพัตเตอร์ค่ะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวหนักทำอย่างไรดีครับก็ปล่อยมนันหนักไปมันเป็นความรู้สึกที่มันหลอกเราเท่านั้นเอง ความจริงมันก็น้ำหนักเท่าเดิมน่ก่อนจะนั่งลองช่่งดูสิแล้วเวลาเล้นั่งลจะชั่งดูเนี่มันจะหนักขึ้นหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกเวาลานั่งสมาธิจะมีความรู้สึกแปลกๆมาหลอกเราบางทีก็ตัวเบาบางคนก็คิดว่าลอยขึ้นมาบางคนก็คิดว่าพองบางคนก็คิดว่าหดมันเป็นความรู้สึกหลอกเราท่านนเองอย่าอย่าไปสนใจแสดงว่าเราสติเราไม่ค่อยดีสติเราไม่ต่อเนื่อง ต้องกลับมาหาที่พุทโธพุทโธอย่าไปสนใจกับความรู้สึกต่างๆแล้วเดี๋ยวความรู้สึกเหล่านั้นจะหายไปเวลาจิตสงบทุกอย่างจะหายไปหมดเหีือแต่ความว่างคําถามจากคุณปันจโรไทยคะ่ะเวลาสวดมนต์และนั่งสมาธิเสร็จแล้วมีอาการขน ล, ลุกขนชันและร่างกายเย็นสักคู่ไม่นานนักก็หายไปเป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะมันก็เป็นเพราะอย่างนั้นแหละใครรู้ไว้ก็แล้วกัน หรือว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปหรือว่ามันดีแล้วไม่ดีหรือว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปดีก็ดับไม่ดีก็ดับเราไม่ต้องไปมีอะไรกับมันให้รู้เฉยเฉยคำถามจากคุณแทปบี้ค่ะเลิกกับสามีเพราะเขานอกใจแล้วเขาก็ทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้เราไม่ช่วยเราใช้หนี้สินไม่ช่วยอุปการะลูกควรวางใจอย่างไรคะเรคิด ว, ว่าเขาตายไปแล้วก็แล้วกันนะ บุญขาวมีค่ะบุญกับกุศลมีความหมายเหมือนกันไหมครับความหมายไม่เหมือนบุญคือความสุขใจอิ่มใจกุศลคือความฉลาดกุศลแปลว่าความฉลาดกุศลเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมบุญเกิดจากการเสียสละแบ่งปันแต่ฟังฟังธรรมก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลเพราะฟังธรรมมก็ได้ความสุขใจอิ่มใจด้วยได้ความรู้ความฉลาดด้วย ค <c oughs> ำถามจากคุณนายหนุ่มค่ะหลังจากเรานั่งสมาธิจนครบตามเวลาที่กําหนดแล้วเราควรดําเนินที่ปั ส, สนาพิจารณาร่างกายโดยใช้วิธีนึกคิดต่อหรือไม่ครับเนื่ได้ตลอดเวลายิ่งดีเวลาเราออกจากสมาธิแล้ว เ, เราควรจะพิจารณาร่างกา ย, ยเรื่อยๆว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นอาการสามสิบสองทำมาจากดินน้ําลมไฟ มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นให้คิดอย่างนี้บ่อยๆอไปมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟต่อไปไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายเราเป็นเพียงผู้มาใช้ร่างกายาพาเราไปทำอะไรต่างๆท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนใช้ร่างกายเราเป็นนายกายเป็นบ่าว เราก็คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆให้คิดอย่างนี้บ่อยๆเพื่อเราจะได้แยกร่างกายออกจากใจเพื่อเราจะได้ปล่อยร่างกายได้เวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะได้ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมันตอนนี้เราเดือดร้อนเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายและเราก็อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่ขึ้นมาเราก็เดือดร้อนทันทีแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเรารู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้ ถ้าไม่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้พอมันแก่แล้วก็ปล่อยมันแก่ไปเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปตายก็ปล่อยมันตายไปเขาทนั่นเองเหมร่างกายของคนอื่นเราไปเดือดร้อนแทนเขาไหมคนอื่นแก่เราเดือดร้อนไหมคนอื่นเจ็บเราเดือดร้อนไนหะคนอื่นตายเราเดือดร้อนไหมเพราะเราเป็นพราเรารู้ว่ามไม่ใช่เรา Elementary. ใช่ไหมแต่รา่างกายนี้เรากลับไปคิดว่าเป็นเราเราก็เลยเดือดร้อนเราก็เลยต้องมาสอนใจใหม่สอนให้มันจําให้ได้ว่ามันไม่ใช่เรามันเหมือนร่างกายของคนอื่น ปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปเพอาไม่พไม่ปล่อยมันก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแต่ถ้าปล่อยแล้วสบายไม่ทุกข์ถ้าไม่ปล่อยเราจะทุกข์คำถามจากคุณพุทธรักษาค่ะการที่เอากระดูกคนที่เสียชีวิตไปแล้วสร้างพระพุทธรูปแทนคนตายได้ไหมคะแล้วนำมาคล้องคอค่ะเออจะไปทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยแล้วแต่เราเราอยากจะทาอะไรก็ไปทำ โจ้ค่ะผมสังเกตว่าถ้าผมอดอาหารจะภาวนาลงดีกว่าไม่อดอาหารอย่างนี้ผมมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับใช่การอดอาหารนี้ช่วยทำให้เราไม่ไม่ง่วงนอนไม่เกียจค้างทำให้สติสตังดีขึ้นจะทำให้การปฏิบัติก้าหน้าขึ้นแต่ต้องอดทนต้องกล้าต้องไม่กลัวความหิวถ้ากลัวความหิวแล้ว เ, เดี๋ยวจะนั่งไม่ได้จะปฏิบัติไม่ได้ พอหิวแล้วมันจะคิดแต่อาหารคิดแล้วมันจะไม่มีกระจิตกระจายจะมาพุโทโธพุโทโธคนที่จะอดอาหารได้ต้องมีสติในระดับหนึ่งที่จะสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงอาหารได้ถ้าควบคุมไม่ได้เดี๋ยวพอหิวนี่มันจะคิดแต่อาหารอย่างเดีย ว, ยวถ้าเราปฏิบัติถ้าเราอดอาหารแล้วเราปฏิบัติได้ก็ถือว่าเรามีสติพอสมควร แสังว่าเรามากายแล้วมากายกับคนที่อดอาหารไม่ได้คำ ถ, ถามจากคุณชนะตนข้อที่หนึ่งค่ะการการที่เราเป็นหัวหน้าคนข้อหนึ่งเราดันลูกลเราเต็มที่ตามเหตุตามผลของงานเพื่อให้เขาดีเท่าหรือดีกว่าโดยไม่ฝืนใจหรือกลัวเขาเด่นกว่านี่ถือว่ามีพลวิหารธรรมใช่ไหมคะ พรมวิหารทำนะข้อไหนล่ะเมตตาเลยหรือมุนีตาหรือกรุณาหรือโอเบกขางฟังแล้วมันไม่เกี่ยวกับพรมวิหารเนี่ยถ้าเราไปดันเข้านี่เราไป เ, าเราไปกดดันเข้าแล้วข้อที่สองค่ะหัวหน้าบางคนกลัวลูกน้องที่เก่งกว่าเพราะกลัวโดนเลื่อยขาเก้าอี้เขาต้องเขาต้องทําใจอย่างไรคะก็ ต, ะต้องทําใจว่า เรื่องเป็นเรื่องของเหตุของผลไงใครทำดีก็ได้ดีใครทำไม่ดีก็ไม่ได้ดีก็ใครทำดีก็เหมือนกับแข่งกีฬาเงี้ยใครวิ่งเร็วกว่าก็เอาเหรียญทองไปใครวิ่งช้ากว่าก็เอาเหรียญเงินไปเราก็จำเป็นจะต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬายอมรับว่าความสามารถของเราอาจจะสู้เขาไม่ได้เ็มีความสามารถกว่าเราเขาสามารถทาประโยชน์ให้กับบริษัทได้มากกว่าเรา ประโยชน์บริษัทก็จะต้องตอบแทนเข้ามากกว่าเราเป็นธรรมดาคำถามจากคุณสาลิณีค่ะเป็นชาวพุทธแต่ก็นับถือเจ้าแม่กวนอิมด้วยผิดใช่ไหมคะชาวพุทธแท้กว น, นับถือเฉพาะพระพุทพาธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นใช่ไหมคะคือการนับถือนับถือใครก็ได้พ่อแม่ก็ยังนับถือได้แต่คําว่าถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาลณะนี่หมายถึงให้ถือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนสั่งคนสอนเรา เพราะท่านเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงคนอื่นนี่เขายังรู้ไม่ไม่ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่นับถือได้นับถือคนที่เขาแก่กว่าเราได้นับถือพ่อนับถือแม่ได้นับถือพระเจ้าแผ่นดินได้การนับถือนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการถือเป็นสารณะเป็นเรื่องของมารยาทเป็นเป็นเรื่องของการรู้บุคคลเราอยู่ในสังคมเราต้องรู้จักบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยคนที่สูงกว่าเราก็มีคนที่เท่าเราก็มีคนที่ต่ำกว่าเราก็มี เป็นการปฏิบัติกับบุคคล ต, ต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของเขาคนที่สูงกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพนับถือคนที่เท่าเราเราก็เราก็ถือเป็นเพื่อนกันได้คนที่ต่ำกว่าเราเราก็ต้องเอ็นดูเขาเมตตาเขาสงสารเขาไปตามตามฐานะของเขาคําถามจากคุณบัญชาค่ะติดอยู่กับการสวดมนต์ยาวๆ แต่พอสวดสั้สนๆแล้วรู้สึกว่าทําไม่ครบเป็นวิธีคิดที่ผิดใช่ไหมครับ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกยิ่งสวดยาวเท่าไหร่จิตก็ยิ่งสงบมากขึ้นนั่นเองยิ่งสวดน้อยมันก็สงบยากเหมือนกับกินข้าวกินข้าวสองคำกับกินข้าวสองจานนี่อันไหนมันจะอิ่มกว่ากันกินข้าวสองจานก็ต้องใช้เวลามากกว่ากินข้าวสองคำบางทีเราเราจะรีบนอนก็เลยสวดสั้นๆมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้ความสงบ ถ้าเราไม่รีบนอนเราสวดยาวๆนานๆจิตเราก็จะสงบจะเย็นจะสบายคำถามจากคุณนายหนูค่ะเหตใดบางครั้งจิตเกิดความคิดทั้งเผลอผุดขึ้นมาในใจหรือปา마ทาผู้อื่นหรือพระสงฆ์ในใจโดยที่ไม่ได้เจตนาและรู้ว่าในใจกำลังเผลอสติคิดปามาทเลยต้องมาขอขอมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ รู้สึกไม่ดีเลยจะทําอย่างไรจึงจะแก้ไขได้ครับอ๋อถ้าเพียงแต่คิดอย่างเดียวยังไม่มีโทษยังไม่ต้องไปขอขมาก็เพียงแต่หยุดมันเท่านั้นเองพอเรารู้ว่าเราคิดไม่ดีเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันทุกครั้งเวลาที่คิดไม่ดีก็พยายามหยุดมันแล้วต่อไปมันก็จะไม่คิดเองถ้า แ, แต่ถ้าเราไปพูดไปกระทําอะไรนะั้นะถึงมันถึงจะเป็นโทษถึงที่เราจะต้องไปขอขมาลาโทษจากผู้ที่เราไป ไปร่วงเกินเช่นพ่อแม่บางทีเราไปปรามาโกรธพ่อโกรธแม่ก็จะด่าพ่อด่าแม่ขึ้นมาถ้าด่าถ้าถึงกับด่านี่แสดงว่ามันเป็นโทษละไปร่วงเกินผู้อื่นผู้มีพระคุณละพอได้สติก็ต้องรีบไปกราบท่านไปขอขามาท่านการไปกราบขอขามาเพื่อจะได้เป็นการลงโทษตัวเราเองให้จดให้จําเพื่อที่คราวต่อไปเราจะได้พยายามไม่ทำํำในคราวต่อไปพอเรา คิดจะปรามากก็หยุดมันซะก่อนอย่าให้มันออกมาทางปากก็ต้องหัดฝึกสติให้มากถ้ามีสติมากมันจะรู้ทันเวลาคิดไม่ดีปั๊บนี่จิตจะรู้ทันทีจะรู้ว่ากําลังคิดไม่ดีแล้วมีสติมีพุทธโธก็จะหยุดมันได้ทันทีฉะนั้นมันฝึกสติไว้เรื่อยๆแล้วเราจะมีสติจะรู้ทันความคิดที่ไม่ดีต่างๆได้คําถามจากคุณกุ๊กไก่ค่ะ ลูกกับพ่อแม่คิดเห็นต่างกันเช่นเราอธิบายให้ท่านฟังท่านมองเป็นการเสียงท่านพอเราเงียบเฉยท่านมองเราทำยะโสโอหังทั้งที่เราไม่มีอะไรเราควรทำเช่นใดทั้งที่เราตั้งใจที่จะดูแลท่านให้ดีที่สุดคะถ้าท่านคิดว่าเราเฉยแล้วแล้ว เ, เราโอหังเราก็เล่นละครไปสิท่านว่าก็เออหอหองไปกับท่านเออดีดีดีดูซิว่าท่านจะว่ายังไงอ ถ้าท่านยังว่าอีกก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ทําใจแล้วแต่เราอย่าไปโกรธท่านก็แล้วกันอย่าไปเสียใจก็แล้วกันถ้าเรามีความเมตตาจริงๆรักท่านจริงๆแล้วก็ถือว่าท่านเป็นเหมือนเด็กก็แล้วกันเด็กมันก็งอแงองเงี้ยทําอย่างนี้ก็ไม่ชอบทำอย่างนั้นก็ไม่ชอบพูดก็ไม่ชอบเฉยก็ไม่ชอบก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมของท่านก็แล้วกัน อย่าไปโกรธท่านก็แล้วกันยังยังรักษาความรักความเมตตาให้ต่อกันอยู่คําถามจากคุณวิวค่ะการที่เรานอนสวดมนต์คือว่าเวลานอนสวดกราบพระรัตนไปเสร็จก็ล้มตัวลงนอนแต่ตั้งสติสวดบทพระธรรมจกักรแล้วหลับไปตอนไหนไม่ทราบอยากทราบบ้างไหมคะ อ, อ๋อไม่บาปมันเป็นการใช้การสวดมนต์เป็นยานอนหลับเนี่ย แต่การสวดมนต์จริงๆนี่เราต้องการทําให้จิตตื่นให้มีสติถ้าอยากให้จิตมีสติตื่นเราต้องอยู่ในท่านั่งถ้าเราอยู่ในท่านอนมันสบายแล้วสติมันจะไม่มีมันก็จะหลับไปดังนั้นการสวดก็เป็นเหมือนกับการสวดเพื่อนอนหลับเท่านั้นเองไม่ได้สวดเพื่อให้เกิดสติสวดเพื่อให้หมดสติคําถามจากคุณนภารพรค่ะที่บริษัทเป็นการทํางานให้บริการ บางครั้งก็ให้บริการทักช่วยทำวีซ่าให้แต่ก็คิดค่าบริการตามปกติอาจจะคิดค่าบริการถูกกว่าบริษัทอื่นเวลาพูดเรื่องทําบุญหรือขออนุญาตลาไปปฏิบัติธรรมเจ้านายก็จะบอกว่าที่เราทํางานอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นการทําบุญแล้วเพราะเป็นการทําให้ผู้อื่นมีความสุขได้ไปเที่ยวได้มีความสุขได้เดินทางแบบนี้ถือว่าเป็นการทําบุญแล้วหรือเปล่าคะ ก็ได้ทําบุญส่วนหนึ่งสมมติ ว, ว่าถ้ามีส่วนลดถ้าปกติคิดร้อยบาทแต่เป็นพระก็ลดห้าสิบาทนี้ก็ได้ทําบุญไปห้าสิบาทแต่เงินนี้เป็นของใครนะเงินของเราเรื่องเงินของบริษัทถ้าบริษัทลดเราก็ยังไม่ได้บุญอยู่ดีเพราะเป็นเงินของบริษัทอย่างถ้าเรายังก็บอกไปเสียว่าบริษัทได้ทําบุญแต่ผมไม่ได้ทําบุญผมก็อยากจะไปทําบุญและผมอยากจะได้บุญที่ได้มากกว่าการให้เงินให้ทอง ผมอยากจะไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นบุญเอกระดับหนึ่งบุญที่สูงกว่าก็จําเป็นจะต้องไปวัดไปหาที่สงบเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมได้คําถามจ้าคุณบรรชาค่ะพุทโธไปด้วยขับรถไปด้วยแสดงว่าเราไม่มีสติหรือเปล่าครับคือถ้าไม่มีสติมันก็ขับรถไม่ได้คนเมาเนี่ยขับรถไม่ได้ขับรถดี๋ยวเดี๋ยวก็ชนเพราะไม่มีสติ ถ้าเราขับรถได้ก็แสดงว่าเรามีสติถึงแต่ว่าสติเราอาจจะไม่ต่อเนื่องอาจจะขับไปแล้วก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็ใช้พุโทโธหนึงกลับมาเพื่อจะได้ให้มีสติอยู่การขับรถเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเราเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือสมัยนี้เราเล่นมือถือกันขับรถไปแล้วก็กดดูข้อความส่งข้อความกันเดี๋ยวพอมีรถตัดหน้าฉุกเฉินก็ทันหันขึ้นมาก็ชนกัน응 อันนี้แสดงว่าไม่มีสติกับการขับรถแล้วเพราะไปสติไปอยู่กับการไปดูมือถือเนี่ยแวเวลาขับรถนี่เราต้องมีสติอยู่กับการขับรถร้อยเปอร์เซ็นเลยถึงจะปลอดภัยถ้าเราปล่อยให้จิตไปที่อื่นเดี๋ยวมันเกิดมีเหตุการณ์กระทันหันขึ้นมามันจะแก้ไม่ทันคำถามจากคุณชิค่ะยาวหน่อยนะคะทําให้มันสั้นๆไม่ได้เลยต้องยอ่ออ่ะย่อหน่อยอ่านไปดู และผมปฏิบัติโดยการทำสมาธิทุกเช้าและเย็นเข้าสมาธิได้เต็มที่สุดคือไปนิ่งอยู่กับลมสัมผัสไม่ได้ถึงร่างกายภายนอกเลยและพอออกจากจากสมาธิมาแล้วก็ทรงอารมณ์สมาธิไว้อยู่ไม่ลึกมากพอช่วงบ่ายทำสมาธิจะอ่อนกำลังลงและเห็นสภาวะไม่ค่อยชัดจะไหลไปตามอารมณ์บ้างเป็นแบบนี้จนเป็นชีวิตประจาวัน อยากขอถามพระอาจารย์ว่าผมทําถูกต้องหรือเปล่าครับคือจิตเรานี่มันมีอารมณ์ต่างกันตอนเช้านี้มันจะสงบเพราะว่ามันไม่มันพักได้พักผ่อนหลับนอนแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันก็ถูกลบไปหมดเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้แต่พอตอนบ่ายนี่เรามาทําตอนเช้าเราออกไปทํางานทําการไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดพอถึงตอนบ่ายเราก็มีความคิดอยู่หลงอยู่ในใจมาก พอเวลานั่งสมาธิตอนบ่ายมันก็จะไม่สงบเหมือนกับตอนที่เรานั่งตอนเช้าเพราะว่าใจเรามีอารมณ์ข้างๆอยู่มากอยากเคลียอารมณ์ไม่หมดพอจะหมดก็หมดเวลานั่งมันก็เลยเวลานั่งส่วนหนึ่งก็ต้องมาคอยเคลียอารมณ์เก่าให้หมดก่อนแต่ตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมานี่เราได้รับพักผ่อนหลับนอนอารมณ์เก่าๆมันถูกเคลียไปหมดแล้วเวลานั่งสมาธิตอนเช้ามันเลยสงบง่าย mm. ก็มีแค่นี้จิตของเรามันจะเป็นอย่างนี้ จิตของเราจะเริ่มมีอารมณ์ตั้งแต่เช้าขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็มารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพอถึงตอนเย็นก่อนนอนนี่เรื่องมันค้างค้างอยู่ในใจเรามากถ้าจะนั่งสมาธิก่อนนอนนี่บางทีนั่งไม่ได้เพราะว่ามันต้องมาเคลียอารมณ์ต่างๆให้หมดไปมันจะมันอะไรบางทีนั่งแล้วมันไม่ค่อยสงบแต่ถ้าตอนเช้านีน่พอเราตื่นขึ้นมาอารมณ์ต่างๆที่มันค้างค้างอยู่ในใจมันมันหมดกําลังไปละ เราก็เลยมีใจเราก็เลยว่างจากอารมณ์ต่างๆเวลานั่งสมาธิก็เลยง่ายสงบง่ายกว่านด้ได้คำ ถ, ถามจากคุณวิวค่ะเวลาพระสวดมนต์แล้วเราสวดตามคือจะสวดได้เกือบทุกบทจะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปลอการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสติไงถ้าเราสวดมนต์เราก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราไม่สวดเดี๋ยวล้วก็อดที่จะไปคิดค้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้จะสวดกับพระก็ได้สวดตามพระก็ได้สวดเองก็ได้ไม่ไม่ไม่สําคัญการสวดนี้มันเป็นการสวดเพื่อตัวเราเองเท่านั้นเองเ อ, อ่าก็ได้ถ้ายังมีกข้อสองข้อกันนะคำถามจากคุณแท็กบี้ค่ะอยากจเจริญเวลา<ม>นานุสติก่อนนอนควรทําอย่างไรคะก็ให้ลึกว่าถ้านอนแล้วไม่ตื่นก็ตาย ก็ต้องตายแน่แทกวันวันใดวันหนึ่งจะต้องหลับตาแล้วไม่มีวันลืมตาเขาเรียกวันหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่คือความตายให้คิดอยู่เรื่อยๆว่านี่คือร่างกายของเรามันจะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่มันจะหลับไม่ตื่นมันจะไม่ฟื้นแล้วมันจะไม่กลับมาอีกแล้วมีอีกไหม อ่าพอดีหมดเวลาพอดีมีใครอยากจะถามไหมมีประเทศลาวเป็นประเทศที่สามสิอ่าประเทศลาวนั่นเลยอ่าสหทูมีสมาชิกสามสิบประเทศแนะเนี่ยอ่าว่ามาเมื่อวาที่เรานั่งสมาธิอะค่ะหนึ่งนั่งไปแล้วเนี่ยเราจะนั่งไดประมาณคึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วพอนั่งไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยหมือนก็ว่าจิตมันจะดันออกมาแล้วทีนีเราก็คือรู้สึกตัวว่าเราจะต้อง ทีีน้ก็พุที่จะนัก็พูดโธต่อไปสร้างสติขึ้นมาสติหมดกําลังเหมือนรถหมดน้ํามันนะพอรถน้ํามันมันก็ต้องจอดถ้าอยากจะให้รถวิ่งต่อก็ต้องเติมน้ํามันสติแล้วหมดกําลังแล้วก็ต้องขยันพูดโธขึ้นมาใหม่ไม่ต้องออกก็พูดโธพูดโธต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบใหม่ความอยากมันก็จะหยุดไปชั่วคราวความอยากกับสติมันจะสู้กันเนี่ยความอยากมันจะดันจิตให้ออกมา พอมันอยากดูอยากฟังอยากลิ่งงดดมกลิ่นสติก็ดึงมันเข้าไปดึงให้เข้าไปสู่ควาสมสงบงั้น смотрите, ฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะไปทางนั้นถ้าสติมีกําลังมากกว่ามันก็จะเข้าข้างในมันก็จะนั่งเฉยๆได้พอพอสติหมดกาลังความอยากมันดับมีกําลังมากกว่ามันก็จะดันให้เราอยากจะลุกขึ้นมาถ้าเรายังไม่อยากจะลุกเราก็ใช้พุโทโธใหม่สร้างสติขึ้นมาใหม่เติมน้ามันใหม่ เปลี่ยนเป็นนั่งไอ้มาเดินจงกลมได้ไหมคะก็ได้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนได้ก็จะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ทนนําต่อเนี่ไปตอนนั้นแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆสู้ไม่ไหวจริ ง, รงเติมน้ํามันเราตอนนั้นไม่ได้ก็ต้องลุกมดเติมด้วยการเดินเดินจงกรมแทน<ม>ก็ดีกว่าลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มลยลุกขึ้นมาก็ยังมามาเติมสติต่อแต่ถ้าเติมในขณะที่นั่งได้นั่นก็จะสงบได้เร็วกว่าได้นานกว่า แล้วมันจะผ่านมันจะชนะกําลังของกิเลส ช, ช่วงนั้นได้แล้วต่อไปเราจะนั่งได้นานกว่าจากครึ่งชั่วโมงเราจะนั่งได้เป็นชั่วโมงแต่ถ้าเราทุกครั้งครึ่งชั่วโมงหมดกําลังเราออกมาเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นถ้าเราอยากจะนั่งให้มันผ่านก็ต้องดันมันไปต้องพุโทโธในขณะนั้นเลยอย่าเพิ่งลุกพยายามพุโทโธให้มันขาดใจดูด้วยมีใครอยากจะถามยังไหมไม่มีนะ